ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก133ยจิตมโนวิญญาณเกิดดับดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตุชนผู้ไม่ได้สดับพึงเบื่อนายคลายกำหนัดและพ้นไปในกายอันประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่นี้ได้เพราะเหตุไรเพราะความก่อขึ้นความสลายตัวการรวมตัว การแยกตัวของกายอันประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสนี้อันบุคคลเห็นได้เพราะเหตุนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงพึงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและพ้นไปในกายนั้นได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แต่ธรรมชาติที่เรียกว่าจิตบ้างใจหรือมโนบ้างวิญญาณบ้างอันใดปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ไม่สามารถพอที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและพ้นไปในธรรมชาตินั้นได้เพราะเหตุไรเพราะธรรมชาตินั้นอันปุถุชนผู้ไม่ได้สดับฝังใจยึดถือรูปคลั่มด้วยใจมานานแล้วว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเพราะเหตุนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงไม่สามารถพอที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัด และพ้นไปได้ในธรรมชาตินั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับพึงถือกายอันประกอบขึ้นด้วยาธาตุทั้งสี่นี้ว่าเป็นตนดีกว่าการถือว่าจิตเป็นตนไม่ดีเลยเพราะเหตุไรเพราะกายอันประกอบขึ้นด้วยาธาตุทั้งสี่นี้ที่ตั้งอยู่หนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปี ส0ปียี่สิบปีส0สปีสี่สิบปีห้าสิบปีหนึ่งรปีแม้ตั้งอยู่เกินหนึ่งปีก็ยังเห็นได้แต่ธรรมชาติที่เรียกว่าจิตบ้างใจบ้างวิญญาณบ้างนั้นในกลางคืนกับกลางวันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งก็ดับไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนลิง เที่ยวไปอยู่ในป่าใหญ่ย่อมจับกิ่งไม้มันปล่อยกิ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นมันปล่อยกิ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นมันปล่อยกิ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นชั้นใดธรรมชาติที่เรียกว่าจิตบ้างใจบ้างวิญญาณบ้างก็ฉันนั้นธรรมชาตินั้นในเวลากลางคืนกับกลางวันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งก็ดับไป ข้อความจากสังยุตตนิกายนิทานวัร์134รเข้ากันได้โดยธาตุดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมเข้ากันได้ย่อมลงกันได้โดยธาตุคนมีศรัทธาย่อมเข้ากันได้ย่อมลงกันได้กับคนมีศรัทธาคนมีใจละอายต่อบาป ก็เข้ากันได้ลงกันได้กับคนที่มีใจละอายต่อบาปคนมีความเกรงกลัวต่อบาปก็เข้ากันได้ลงกันได้กับคนที่มีความเกรงกลัวต่อบาปคนที่สดับตรับฟังมากก็เข้ากันได้ลงกันได้กับคนที่สดับตรับฟังมากคนที่ปรารบความเพียรก็เข้ากันได้ลงกันได้กับคนที่ปรารบความเพียร คนที่มีสติตั้งมั่นก็เข้ากันได้ลงกันได้กับคนที่มีสติตั้งมั่นคนที่มีปัญญาก็เข้ากันได้ลงกันได้กับคนที่มีปัญญาแม้ในอดีตการนานไกลแม้ในอนาคตการนานไกลในปัจจุบันนานไกลก็เป็นอย่างนี้135ห้า ตัวอย่างของผู้เข้ากันได้โดยธาตุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณภูเขาคิดจกูดใกล้กรุงราชฤก์สมัยนั้นท่านพระสารีบุตรเดินจงกรมร่วมกับภิกสุมากหลายในที่ไม่ไกลาจากพระผู้มีพระภาคแม้ท่านพระมหาโมคคลานะท่านพระมหากัสสปะท่านพระอนุรุธท่านพระปุณณนะท่านพระอุบาลี ท่านพระอานนท์และพระเทวทัตแต่ละท่านต่างก็เดินจงกรมร่วมกับภิกษุมากหลายในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคลําดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายเห็นสารีบุตรกําลังเดินจงกรมร่วมกับภิกษุมากหลายหรือไม่ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีปัญญามากท่านทั้งหลายเห็นมหาโมคลานะกำลังเดินจงกรมร่วมกับภิกษุมากหลายหรือไม่เห็นพระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีฤทธิ์มาก ท่านทั้งหลายเห็นมหากัสปะกำลังเดินจงกรมร่วมกับภิกษุมากหลายหรือไม่เห็นพระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นทุตตะวาทะหมายถึงผู้กล่าวในทางขัดกล่อกิเลสคือสันเสริญการประพฤติทุดงท่านทั้งหลายเห็นอนุรุตกาลังเดินจงกรมร่วมกับภิกษุมากหลายหรือไม่เห็นพระเจ้าค่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้มีทิพยะจักษุท่านทั้งหลายเห็นปุณณ์ บ, บันตานีบุตรกําลังเดินจงกรมร่วมกับภิกษุมากหลายหรือไม่เห็นพระเจ้าค้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นธรรมกถึกคือผู้แสดงธรรมท่านทั้งหลายเห็นอุบาลีกําลังเดินจงกรมร่วมกับภิกษุมากหลายหรือไม่ เห็นพระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นวินัยทอนคือผู้ทรงวินัยท่านทั้งหลายเห็นอาน o n กำลังเดินจงกรมร่วมกับภิกษุมากลายหรือไม่เห็นพระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้สดับตรับฟังมากท่านทั้งหลายเห็นเทวทัต กำลังเดินจงกรมร่วมกับภิกษุมากหลายหรือไม่เห็นพระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีความปรารถนาลามกดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมเข้ากันได้ย่อมลงกันได้โดยธาตุผู้มีอัธยาศัยเลวย่อมเข้ากันได้ย่อมลงกันได้กับผู้มีอัธยาศัยเลว ผู้มีอัธยาศัยดีงามย่อมเข้ากันได้ลงกันได้กับผู้มีอัธยาศัยดีงามดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในอดีตการนานไกลสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้แล้วลงกันได้แล้วโดยธาตุทั้งผู้มีอัธยาศัยเลวอัธยาศัยดีงามดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในอนาคตการนานไกลสัตว์ทั้งหลายจะเข้ากันได้ ลงกันได้โดยธาตุทั้งผู้มีอัธยาศัยเลวอัธยาศัยดีงามดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในปัจจุบันกานานไกลสัตว์ทั้งหลายย่อมเข้ากันได้ลงกันได้โดยธาตุทั้งผู้มีอัธยาศัยเลวอัธยาศัยดีงาม136เรื่องที่ไม่ได้ตรัสบอกมีมากกว่า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับหนับป่าไม้ประดู่ลายใกล้กรุงโกสัมพีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหยิบใบประดู่ลายขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญข้อความนั้นเป็นชนไหนคือใบประดู่ลายเล็กน้อยที่เราถือไว้กับใบที่อยู่บนต้นประดู่ลายอย่างไหนจะมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใบประดูไลยเล็กน้อยที่ทรงถือไว้มีประมาณน้อยที่แท้ใบที่อยู่บนต้นประดูลลยมีมากกว่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องที่เราตรัสรู้แล้วแต่ไม่ได้บอกแก่ท่านทั้งหลายก็มีมากกว่าฉันนั้นเหมือนกันเหตุไรเล่า เราจึงไม่ได้บอกก็เพราะว่าเรื่องนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับทุกข์ความสงบระงับความรู้ยิ่งความตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเราจึงไม่บอกเพราะเหตุนั้นข้อความจากสังยุตตนิกายมหาวารวัก 137เรื่องที่ตรัสบอกคืออะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เรื่องอะไรเล่าที่เราบอกเราบอกว่านี้ทุกนี้เหตุให้ทุกเกิดนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเหตุไรเล่าเราจึงบอกเรื่องนี้ก็เพราะว่าเรื่องนี้ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายความคลายกำนัดความดับทุกข์ความสงบระงับความรู้ยิ่งความตรัสรู้เป็นไปเพื่อนิพพานเราจึงบอกเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนั้นแหละจึงควรกระทําความเพียรเพื่อรู้อริยสัจ ส, สี่ตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้ทุกข์เกิดนี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หนึใบไม้ขนาดเล็กที่ห่อน้ำหรือห่อใบตาลไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนที่กล่าวว่าตนไม่ต้องตรัสรู้อริยศัสตร์คือทุกเหตุให้ทุกเกิดความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ตามเป็นจริง ก็จะทำที่สุดทุกโดยชอบได้คือพ้นทุก์ได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้เปรียบเหมือนคนที่กล่าวว่าตนจะเอาใบตะเคียนใบทองกวาวหรือใบมะขามป้อมซึ่งเป็นใบไม้ขนาดเล็กมากมาทำเป็นกระทงใส่น้าหรือใส่ใบตาลย่อมไม่ใช่ฐานะที่มีได้ฉนั้น 139ธรรมะที่เป็นใหญ่คือปัญญาเทียบด้ยวยราชสีดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์เยราชานเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ตามราชสีผู้เป็นพยาเนื้อย่อมกล่าวได้ ว, ว่าเลิ่กว่าสัตว์เหล่านั้นโดยกำลังโดยฝีเท้าและโดยความกล้าธรรมะที่เป็นไปในฝ่ายแห่งการปรัสรู้ คือโพธิปัจคิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ตามปัญญีคือธรรมที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือปัญญาย่อมกล่าวได้ ว, ว่าเลิศกว่าธรรมะเหล่านั้นในทางเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะที่เป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้มีอะไรบ้างธรรมะที่เป็นใหญ่คือความเชื่อ สินีเป็นธรรมะที่เป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ธรรมะที่เป็นใหญ่คือความเพียรวิริยินรีความระลึกได้สตินรีความตั้งใจมั่นสมาทินรีและปัญญาปัญญินรีเป็นธรรมะที่เป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้ ย่อมเป็นไปเป็นเพื่อความตรัสรู้